ไม่มีทางได้แล้วแล้วขอเวทนาที่เกิดแล้วอย่าดับไอ้สุขเวทนาเนี่ยเอาที่สุขตลอดไปเลยเราอยากมีความสุขตรงเนี้ยไอ้สุขมันแต่เช้าเย็นเย็นอะ่ะไม่เลยสา้าพเด็กน้องวิง่งเข้าห้องน้ําลี้ยงทุกถึงบอกให้ว่านะถ้าเราเข้าใจปัจจัยของเวทนาอันนี้เขาเรียกว่ายาตากดิยารู้จักเวทนารู้ชัดเหตุปัจจัยของเวทนาแล้วก็ถึงเนะี่ถ้าเราสมมติไปอ่านว่า ดูก่อนอักขีเวชนะสมัยใดสเสวยสุขเวทนาสมัยนั้นหาสวยทุกขเวชนาไม่หาสเสวยอทุกกรรมสุขเวชนาย่อมสเสวยแต่สุขเวทนาเท่านั้นนี่นะแล้วมาอีกทีนึงก็บอกว่าดูก่อนอักขีเวชนะแม้สุขเวทนาแลไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นเห็นไหมชัมดในมตรงเนี้ยอยกตัวอย่างเช่นสุขเวทนาเนี่ย อาศัยปัจจัยไหมอาศัยปัจจัยปรงแต่งไหมอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นไหมเข้าใจคําว่าปัจจัยยังไหมถ้าไม่มีปัจจัยเหล่านี้เกิดเวทนาไม่เกิดถ้าปถ้าปัจจัยเหล่านี้เกิดเวทนาก็เกิดและปัจจัยเหล่านั้นไม่เที่ยงเวทนาจริงไม่เที่ยงคือปัจจัยเหล่านั้นดับแล้วเวทนาจักดับทันทีเพราะเขาอยู่ไม่ได้หรอกเพราะตัวปัจจัยเขาดับอย่างเงี้ยนะปัจจัยเขาเป็นอนัตตาตัวเขา เขาถึงบอกว่ามีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาเสื่อมไปสิ้นไปคายไปดับไปเป็นไวยพจน์กันนะอบาังท่านบอกว่ามีความสิ้นไปเป็นธรรมดายังไม่เข้าใจเอาแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดารู้ไหมไม่รู้อีกคลายไปเป็นธรรมดารู้ไหมไม่รู้ดับไปเป็นธรรมดารู้ไหมไม่รู้จะพูดคําไหนแล้วเนาะพูดจนขนาดนี้เนาะ มีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปยังไม่รู้อีกนะไม่รู้จะใช้ศัพท์ไหนดีว่าพระเจ้าบางครั้งบางครั้งพระองค์ใช้ศัพท์หนักเลยเนี่ยมีความฉิบหายไปเป็นธรรมดาโอ้เข้าใจเลยโอ้เข้าใจคำนี้เองรอคำนี้มานานแล้วก็บว่าโอ้อย่างงี้เพราะอย่างนี้เคยด่าลูกมานานแต่ที่จริงพระเจ้าใช้คำนี้ไม่ได้ไม่ได้เจรนาของพระองค์ไม่ใช่หยาบนะแต่วัตถุประสงค์เพื่อให้สัตว์นั้นเข้าใจทีนี้ ไอ้ธรรมดาของท่านเนี่ยใช่ไหมกับธรรมดาของเราเหมือนกันไหมไม่เหมือนไอ้ธรรมดาของเราเนี่ยถามว่าไอ้สุขเวทนาที่เสื่อมไปทําเป็นธรรมดาเนี่ยท่านที่เข้าใจเนี่ยท่านเป็นทุกข์แบบสุขเวทนาดับไหยอย่างเราทุกข์ไหมทุกข์เลยเอาสมมุตินะว่าสมัยหนึ่งมีเงินอยู่ในธนาคารห้าสิบล้าน แม่พูดอย่างทนี้ที่ว่าเงินเยอะๆเนี่ยสมมุติต่อมามันดับไปแล้วไอ้เงินนั้นมันหายไปบอกไปเช็คบอกว่าธนาคาร น, นั้นเจ๊งแล้วล่มละลายแล้ ว, ล ไ, ว, ลวไอ้สุขเวทนานดับไหมดับไปเป็นธรร ม, มาดาไหมเนาะมันธรร ม, มาดามันแหละแต่มันไม่ธรร ม, มาดาสาหรับความรูม้สึกยึดถือเราเครียดเลยใช่ไหมแล้วธรร ม, มาดาไหมแบบนั้นนะก็อย่างคนคนหนึ่งก็บอกนี่แหละชาวบ้านนี่แหละ เขาไปวัดทุกวันไปวัดทุกวันใช่ไหมกลับมาก็แม่เออมันทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะไม่เที่ยงลูกเอาเป็นง่ายมันก็เปลี่ยนแปลงไ ป, ปธรรมดาดับไปเป็นธรรมดาพระท่านก็สอนไม่ที่อย่างเบี่ทุกขเป็นอนัตตาก็เ <c oughs> นี่มีชาวบ้านใช่ไหมชาวบ้านก็รู้แบบเนี้ยเขาอเออธรรมดาอะไรก็ธรรมดาหมดแล้วแล้วแกเวลาคนอื่นตายด้ยนะแกโอบงไปเสียใจทําไมธรรมดาก็ว่าตายก็เรื่องธรรมดา ตายก็เผาไม่เห็นมีอะไรเลยเนี่พูดอย่างเงี้ยเหมือนกระโงได้นะมีอ <SS> ยู่วันนึ่งแกก็ขึ้นอยู่บนน่ะไอ้บนบนหลังคากําลังแกกําลังมุงหลังคาเป็นเป็นกระต๊อบแกมุงมุงแล้วก็มาถึงกตาตด้บอกว่าเออไอ้การตายนี่เป็นยังไงบอกว่าธรรมดาก็ว่าออลงมาคุยกันแกก็คุยธรรมดาอาถ้าหากว่าถ้าหาคนเราเกิดแล้วเป็นไงเกิดก็แก่แก่ก็เจ็บเจ็บก็ตายตายเป็นเรื่องธรรมดาตายทําไงตายก็เผา เดังนั้นหลานลุงเมื่อกี้ผมเดินมาหัวทิ่มลงบ่อตายแล้วลมจับเลยเป็นลมลเลยอนี่ไหมไอ้ธรรมดาเนี่ยเป็นลมแค่รรคุยกะนักหนาเนี่ยเข้าใจชาวบ้านเห็นในนิจังไหมเขาเห็นแบบนี้แหะไอ้ธรรมดาของผู้ดูชนเป็นเแบบไอ้ธรรมดาแบบหลานหัวทิ่มลงมันไปเล่นไงแกก็ห่วงทํางานเพลินเนี่ยหลานกัลงไปตกบ่อ จมน้ําตายลอยอยู่ก็กไอ้ชาวบ้านก็เห็นอ๋อตายแล้วจับโยกันขึ้นมาตายลเลยกันเลยเอ๊ะจะบอกแกยังไงแกอยู่ข้างบนนี่ก็กลัวแกตกลงมาเฮ้ยแกไม่เป็นไรแกคนธรรมะทั้งโมแกตายขเขาเผาอยู่เลยแกพูดอยู่เลยพอพูดก็จริงขาภาพลงตรงนั้นล้อง่ายโหลเลยนี่ไงธรรมะจา้าอันนี้จังเห็นนี่ยังนี่ธรรมดจา้าเลยนี่ยถามมาจริงๆแล้วแกเห็นจริงไหม ไม่ไม่ได้จริงอะไรเลยก็จริงโดยสํานวนคุยกันเล่นๆไปงั้นเพราะมันไม่ได้ไข้ควรค่ะการวิจัยโดยการทําปริญญาแม้ถ้าเขาทําปริญญามาอย่างดีแล้วเรื่องนี้เป็นธรรมดาของท่านหลอานะั้นจริงๆเราไม่รู้นะเนี่ยที่เราอยู่อด้วยกันอะไรต่างๆเนี่ยว่าเราจะมีความอาลยาวรณกันทั้งแต่เลยใช่ไหมยะถ้ามีเคยอยู่ด้วยกันมาตลอดอยู่ในบ้านหลังเดียวกันอยู่ต่อมาอีกฝ่ายหนึ่งต้องมา ล้มแบบม บ, บหายใจจะไม่ออกขึ้นมาแล้วไม่ธรรมดาแล้วนะตอนนั้นอันนี้จังไม่ธรรมดาสําหรับปุถุชนแล้วทุกก็ไม่ธรรมดาซะแล้วในความเข้าใจทั้งๆ ท, ท, ที่มันเป็นธรรมดาของสรรพสัตว์เป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาของสังขารเป็นอย่างนี้ธรรมดาของสุขเวทนาก็เป็นอย่างนี้ที่จริงนะมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเพราะมอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีเหตุมีปัจจัยมันก็เกิดหมดเหตุหมดปัจจัยมันก็ดับนี่แหละแต่การที่เราไม่ได้ทําปริญญาเขาให้บ่อยให้ต่อเนื่องให้ให้ให้ใหสม่ําเสมอ เขาดึงใช้คําว่าอนุปัสนาบ่อยๆเสมอๆทําจนเป็นอัธยาศัยเลยอะทำอย่างต่อเนื่องละวันหนึ่งเห็นเห็นอยู่ตลอดเวลาเห็นทั้งทั้งเหตุปัจจัยเห็นทั้งตัวเวทนาด้วยรู้จักเวทนาด้วยรู้จักเหตุปัจจัยของเวทนาด้วยรู้ว่าเวทนาไม่เที่ยงเพราะเหตุปัจจัยไม่เที่ยงเมื่อเห็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไปเสร็จแล้วก็ไข้ควรจนสามารถที่จะเห็นโดยความเป็นตะทางรับปรหารได้แล้วก็ละได้เป็นชั่วขณะเลยเนะ คือว่าสามารถละชั้นทลาค้าได้เป็นตะทางก็บหาคตลอดเล ย, เนยจนเป็นอัธยาศัยเลยเนี่ยเพระโพธิสัตว์เป็นแบบนี้ทั้งทั้งที่ยังไม่ได้ตัดรู้เนี่ยท่านเป็นปกติของท่านไม่มีนะพระโพธิสัตว์ที่ท่านจะร้องร้องไห้สังเกต ด, ดูวดิเวลามีบานพักพางท่านจะเสียใจแป๊บเดียวกัน่นั่นแหละเพราะว่าอัธยาศัยท่านแรงอยู่มั้ยถ้าเป็นคนธรรมดามีเรื่องที่ใจีแข็งแรงขนาดนั้นนะใจเข้มแข็งขนาดนั้นกนะ็นอนพับเลยใช่ไหม ขณะที่ลูกตายนีลูกตายเนี่ยไปไถนาแล้วลูกตายเนี่ยเอออ้าไปดูเอ้างูกัตายไปแล้วเออพิจารณาโอ้โหเนี่ยสังขารเป็นเช่นเนี้แม้ใข้คนอยู่ทุกวันเห็นอย่างนี้ชัดเจนแล้โอ้โหปีติเกิดนะปีติเกิดที่เห็นพระธรรมเลยนะว่าโอ้โหพระธรรมที่จริงในเวลาเขาตรึกคําสอนเนี่ยให้สังเกตดูนะว่าเห็นไม่เที่ยงต้องน้อมถึงพุทธคุณ ถ้าเห็นไม่เที่ยงแล้วก็โอ้โหปัญญาเราชัดแล้วตัณหาเกิดไหมมานะเกิดไหมทิฏฐิเกิดไหมที่เห็นไม่เที่ยงเพราะอาศัยใครอาศัยพระเจ้าต้องน้อมไม่ถึงพุทธคุณน้อมไม่ถึงพุทธทางสระนังกฉามีทำมังสระนังกชามีสังฆังสระนังกชามีให้ได้หรือถ้าเข้าใจพระธรรมแต่ละครั้งต้องน้อมถึงพระพุทธเจ้าแล้วการผ่านครแล้วถ้าจเจอถึงคุณท่านคุณ น, นั้นหน่อยก็นิด แต่พระเจ้าเยอะๆเขาเยาอย่างมันถึงจะศรัทธาตั้งมั่นในคุณของพระรัตนตรยตัยเดียนี้นแกนเอาผ่านเพื่อนเพราเพื่อนมาบอกอุยขอบคุณเพื่อนใช่ไหมทำให้เราเชื่อมต่อกับพุทธเจ้าได้ถ้าไม่มีเพื่อนบอกเลยนะไม่มีกัลยาณมิตรบอกนะเราเชื่อมไม่ติดสุทีใช่ไหมจ้ะเราเราให้ทานเราก็น้อมทานนักกุศลเชื่อมถึงพุทธคุณไม่ได้รักษาศีล ก็เชื่อมถึงพุทธคุณไม่ได้เพราะคุศสอละียงเกิดเกิดปาโมดปิ้ติอะก็เชื่อมถึงพุทธคุณไม่ได้อ่าพอเห็นอันนี้จังทุกข์ขันธ์ตาก็เชื่อมถึงพุทธคุณไม่ได้นะเข้านะเข้าถ้าเราไม่เชื่อมอย่างเงี้ยปัญหาเกิดหมดเลยแล้วไปไม่ไปไม่ค่อยรอดหรอกเราเพี้ยลืมครูนี่เรียบร้อยครูเราจริงๆคือบรมครูคือพุทธเจ้าเนี่ยต้องพุทธเจ้าแต่บุญเราดีหน่อยแล้วก็มีกาลยานามิตรมาบอกว่าทํา เที่ยงไหมไม่เที่ยงอย่เหมือนกันไม่เล่นใช่ไหมเรามคิดโอ้บุญเราดีอยู่แล้วเดี๋ยวก็มีเรานั่งอยู่ไม่ไกลเดี๋ยวก็มีพระออกสังขานมาสอนมาทำหรอประมาทไม่คิดอย่างเงี้ยโอ้ประมาณเลยเนะี่ยประมาทไปคิดเงินไม่ได้คิดโอ้จริงๆพ ร, ระท่านก็มาเจริญกุศล ท, ท่านก็ทําหน้าที่อย่างไทยแลย้วใช่ไหมโอ้พวกเราก็มาเจริญกุศลมาแล้วแต่ใครจะเกะที่นั่งนั่งกันอยู่เ น, น่กุศลจิตได้ไม่เท่ากันเอาสิ ได้ไม่เท่ากันเลยนะที่นั่งๆอยู่เนี่ยและและไปแบ่งให้กันได้ไหมอาตมาบอกอู้นี่ตอนนี้กุศลจิตเกิดกับอาตมามากเลยปีตีสอมันัดปลาหมดเลยเอาเอาไปได้ไหมลองให้อีกคนนึงก็ไปกินอาหารพอกินเสร็จอาจจะนั่งอยู่นใะช่ยกินหนึ่งเด้อิ่มไหมอิ่มไหมนั่งขอแย้งอยู่นะไม่อิ่มอ่ะใช่ั้มกินทางกันได้ที่ไหนจได้อย่างเดียวคืออนุโมทนาแต่มันไม่ใช่ได้กุศลจิตดวงนั้นนะดวงที่เกิดจากการเข้าใจพระธรรมนะ อนุโมทนานคนละเรื่องกันเลยนะยมสมายนะมันก็คือได้ได้ปิติปาโมดอีกมุมหนึ่งอีกข้อหนึ่งแต่มันไม่ได้จากการเข้าใจในการฟังว่าทำนั้นถ้าเข้าใจในการพดฟังว่าทำแล้วฉลาดในการฟังว่าทำมากขึ้นอยู่นะเพราะกุศลจิตโดนได้ได้ได้แล้วเราเราต่อนี่ไปแล้วก็ไปทบทวนไปไข่ควรแปลว่าเราต่อยอดเว้นเอาสินี่มันทะลุทะลวงได้ก็อย่างนี้พระเจ้าว่าบอกให้พายยะทะลุจริยาหรือพระเจ้าแสดงธรรมเส็จเสร็จปุ๊บได้บรรลุเลย เขบรรลุเวลเสร็จแล้วพายะปรินิพานวันนั้นะปรินิพานเบลเสร็จพระเจ้ากลับมาเอ้าถูกบวกฝิดตายแล้วหมดไอ้ปรินิพานแล้วพระเจ้าก็บอกให้ให้เอาศพของท่านเนี่ยไปทําียไปจัดชาวน ก, กิจแล้วก็เข้าในพระสถูปเป็นที่สักรารบูชาแล้วก็บอกดูก่อนพิสูจทั้งหลายพายะทารุจริยะไม่ทําให้ตถาคตลำบากลพระเจ้าแสดงธรรมแค่ไม่กี่ประโยคน์บรรลุ ไม่ทําให้พุทธเจ้าลําบากเลยเห็นไหมน่าคิดเนอะเราถ้าเราสั่งสมอัจฉริยะสายเราก็จะต้องทําอย่างนั้นอย่ากให้พุทธเจ้าต้องลําบากสแสดงแล้วมาอีกวันหนึ่งก็ไม่เอาอะไรแล้วห่วงได้อะไรปไปนึกยังไงคือคือพุทธเจ้าสแสดงทำแล้วน้องเขาไปหาพระเฝ้าพุทธเจ้ากันเนี่ยเขามั่นใจของเขาแล้วนะว่าเขาจะบรรลุให้ได้แล้วเขาคิดอย่างนั้นนะ่ะ เชื่อไหมถ้าว่าเราสั่งสมอัตยาศัยไม่ดีพอเนี่ยพระพุทธเจ้านั่งดอนหน้าเรายังไม่รู้จักพระพุทธเจ้าเลยขนาดนั้นนะพระพุทธเจ้านี่อัธยาศัยหลากหลายมากใช่ไหมบางครั้งมาในรูปของภิกษุ ธ, ธรรมดาก็ได้มาในรูปของเทวดาหรือพรหมเป็นต้นก็ได้เราจะไม่รู้จักพระพุทธเจ้าเลยเพราะอะไรสัตทิงซีเราไม่ดีพอเดินผ่านไปผ่านมานี่แหละ เราก็สำคัญมีเพื่อนภิกษุดเดินผ่านไว้แค่นั้นเองอขนาดนั้นเลยเนะได้อัตยาสายของเราไม่ต้องกับพุทธเจ้าเพราะฉะนี้แหละที่เราไม่ได้ตัดสู้ในอดีตเนี่ยเพราะเราศรัท ธ, ธาไม่ถึงสัท ธ, ธินี้ไม่แข็งแรงไม่แก่กล้าเขาบอกว่าเธอไม่ได้เห็นต่ถาคตเสียแล้วเขาใหญ่ยังโอ้โหพระพุทธเจ้างามจริงๆงามจริง ๆ, ๆ เคาไม่ได้เห็นแต่ถาคตติแล้วเห็นไหมมองพระรูปของพระเจ้าแต่ในอีกสูตรหนึ่งนะในสามัญญะผลสูตรนีนะทิศสูตรหนึ่งพันสองรอยห้าสิบรูปเนี่ยนั่งนิ่งมองพระรูปของพระเจ้าเงียบหมดพระเจ้าชาติศัตรูหมอชีวกโมาลพัดขนาดบริวารไปตั้งเป็นพันคนไปกันนี่นะพระไม่เคยหันไปมองพระราชาเลย ทุกคนมองจ้องพระรูปของพระพุทธเจ้านิ่งอยู่งั้นเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงอะไม่มีเสียงแม้แต่กระแอมกระไอเลยถามว่าท่านคิดอะไรกันท่านตั้งเจริญพุทธคุณนะจากการผ่านรูปขันเนะี่ยท่านดูรูปขันของพระพุทธเจ้าแต่ท่านเจริญพุทธคุณได้เอาสิอย่างเราไปมองพระรูปเนะี่ถามว่าเห็นพุทธคุณไหมไอ้สร้างสมัยไหนนี่สงสัยอยุธยาหรือสุขโขทยเชียงแสนมั่งเนียวไปคนละเรื่องเลยใช่ไหมใช่ เราจาับไม่เห็นคุณของพระพุทธเจ้าในองค์ของพระพุทธรูปเลยะนั้นคนเห็นไหมอย่างที่ว่าพระเจ้าโศกมหาราชเนี่ยใช้โซ่ทองเป็นสังฆลิขภัณฑ์โยนลงในทะเลดึงขึ้นมาติดพญานาคมาตนพญานาคตนนั้นที่ติดมาเนี่ยคนมีบุญเนี่ยพระเจ้าโศกเนี่ยเป็นพระเจ้าจักร พ, พรรดิน่ะนะพญานาคตันนั้นมีอายุเ ก, กับหนึ่งทันพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทันเฉพาะองค์นี้เลยนะองค์ก่อนก็ทันโหบุญดีจริงอ่ะ ก็เลยถามว่าบอกโอ้ท่านเห็นพระเจ้าองค์ปัจจุบั น, นช่วยเนรมิตพระรูปของพระเจ้าให้เขาไปเจ้าชมน้อยพปยานาคนมีบุญขอร้องใช่ไหมนี่คนมีบุญขอร้องเนรมิตเลยโอ้โหประดับด้วยมหาปุริสรัตณะแล้วก็อนุพยัญชนะแปดสิบงามประดิษฐ์อยู่ตรงหน้าร้อยเด่นพระเจ้าโสดเพ่งนั่งเพ่ง เราจะเอาตาเราเนี่ยถวายเป็นพุทธบูชานี่คนนี้จะตายไหมมองอย่างนั้นเน่ยเจ็วันไม่กระพริบตามองนะแล้วท่านมองไม่มองเฉยๆพวกนี้มีปัญญาเยอะเขามองแล้วก็จเจริญพุทธคุณได้แล้วคําสอนของพุทธเจ้ามีไหลเข้าสู่กระแสใจอย่างรุแงนแรงนะศรัทธาถึงเกิดถ้าอย่างเรามองแป๊บเดียวเนี่ยศรัทธาได้กี่กี่นั่นยั น, นถามว่าเคยมองรูปพระพุทธเจ้าเนี่ย แล้วทำศรัทธาให้เดินได้ถึงห้านาทีมั้งเอาห้านาทีก่อนเนะี่ยได้ไม่ได้แต่บางคนได้เนะี่ยห้านาทีเนะี่ยมองเต็งเราก็ลังรู้คิดไม่ออกเหมือนกันไอ้จะคิดอะไรวนันนี้นึกไม่ออกเลยในขณะที่มองใช่ไหมแต่คนที่เขามีปัญญาเขาคมองกุศลเขาก็เดินนี่เขาเห็นไงนี่นเขาเห็นพระพุทธเจ้านี่กรณีที่เราไม่เห็นเนะี่ยใช่ไหมนี่อย่าแปลกใจว่าทําไมทําไมเราเข้าไม่ถึงคําสอนเข้ายากไหม คำสอนเนี่ยไม่ยากเนาะจริงๆเขอมองวอาแม้พ่อเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาาหังเป็นผู้ไกลเจกิญเนี่ยเห็นว่าแม้พราะเหตุแห่งทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเนคขมะพรอทานบา ร, รมีมาเนี่ยโอ้โหรู้ประวัติของท่านมาหมดเลยอ่ะใช่ไหมท่านทําทานบา ร, รมีตรงไหนทานอุปบารมีชาติไหนทานปรมัตถบา ร, รมีชาติไหนท่านสั่งสมอัธยาศัยมีอะไรบ้างเนาที่พระ อ, องค์ไม่เคยค่ายอ่ะไม่ไหลมาหมดละ มีอะไรบ้างเนาะที่ไม่เคยให้ไม่มีเลยแม้แต่มหาพูดที่ที่เป็นสิ่งที่สัตว์โลกยึดถือคือขันนุ่งตนเองพระองค์ยังให้มาแล้วแล้วนอกนั้นพระองค์จะไปหวงอะไรเนี่ยใช่ไหมศีลนะบารมีโอ้โหรักษาศีลอย่างเราหรือเนี่ยกล้าไหมล้วเอาชีวิตเป็นเดิมพันเนี่ยไม่กล้าแล้วใช่ไหมแต่พระองค์เนี่ยรักษาศีลตนเองรักษาศีลเมีจิตปฏิภันยินดีในศีลมากกว่ายินดีในชีวิตชีวิตจะเสียหายจากวิบัติก็ยอมแต่ชีวิต แต่ศีลไม่ยอมให้เสียหายแล้วก็ดูโอ้โหถึงบอกไงกว่าจะมาได้ยินคําว่าต่อิทัศฐากะโตโลกเนี้เพราะพระเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วไม่ธรรมดาเ น, ะน้นคํานี้เป็นมงคลมากเป็นมงคลแก่ใจของเราเป็นมงคลแก่จักขูวิญญาณเป็นมงคลแก่โสตวิญญาณเป็นมงคลแก่มโนวิญญาณของเราเหลือเกินใช่ไหมตลอดคิดของเราอยู่ นี่เขาเรียกเขาเห็นคุณถ้าไม่เห็นคุณอย่างเนี้กุสโธรรมอื่นๆไม่เดินแล้วใช่ไหมอย่างนี้เขาเรียกน้อมพุทธคุณแล้วพุทธคุณเนี่ยเป็นสมมนสเวทนาใช่ไหมพอสมานสเวทนาเกิดเขาไม่ปล่อยให้เสียหายไปแล้วต่อไปบอกเวทนาเนี่ยมีปัจจัยไหมเอาลเลยเดี๋ยนี้ไหมเกิดจากอะไรเป็นปัจจัยเนี่ยตรงนี้นะเวทนาสายปัจจัยเกิดขึ้น ตรงนี้เวลาสุขเวทนาเกิดขึ้นเขาก็จะเห็นเห็นเขารู้ชัดสุขเวทนารู้เห็นความแปลปนของสุขเวทนาเพราะปัจจัยของสุขเวทนาไม่เที่ยงแล้วก็รู้ด้วยว่าสุขเวทนานั้นอันปัจจัยพรุงแต่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดาเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นเห็นไหมจากพุทธคุณเนี่ยแต่มาต่อเวทนานุปัสนาได้เข้าใจยังงั้นกรรมฐานของพระเจ้าตายตัวไหมเห็นไหมจากพุทธคุณแท้แทเนี่ย พอสมมนัสเวทนาสขเวทนาเกิดขึ้นท่านจเจริญเวทนานุปัสนาทันทีจากการที่มีพุทธคุณเป็นอารมณ์ท่านไม่ต่ออย่างพุทธคุณแล้วเวลาท่านจะมาใครขควรลงสติปัฏฐานในข้อนี้อาศัยอย่างพุทธคุณอาศัยศีลได้ไหมเห็นไหมอาศัยศีลกันแล้แล้วต่อมาจากการนึกถึงพุทธคุณแล้วโทมานัสเกิดขึ้นได้ไหมได้เราเกิดมาสุดท้ายปลายล้างเนี่ย คนมางคนไปอินเดียเนี่ยแล้วงร้องไห้เนั่นแหะแต่เขาต่อไม่ได้ไงเขาต่อโทมานัสโทมานัสเอเขาต่อเวทนานุปัสนาสติปัสสานไม่ได้ก็ได้แค่ร้องไห้บอกพระพุทธเจ้าปรินีพานไปเสียแล้วเราไม่ทันเลยเราไปเกิดเป็นอะไรนาะก็ได้แต่โศกกลาบดีเดวะทุกขโทมนัสจะต่อเวทนาไม่อด้ะต่อเวทนานุปัสนาไม่ได้ไไดก็ย้ายอย่าง คนก็ต่อเวทนานุปัสสนาโอเวทันโทมนัสเวทนาก็ไม่ที่ยังเอาใจปัจจัยเกิดขึ้นอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีปัจจัยปรุงแต่งมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความสิ้นใบเป็นธรรมดามีความดับเป็นธรรมดาเพราะปัจจัยก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นนันตาและตัวโทมนัสเวทนาจากเที่ยงไปที่ไหนจากจากที่ไหนใครควรพิจารณาไปเห็นความเป็นจริงเลยนะอย่างเนี้ยฉะนั้นถ้าเวทนาถามว่าเราเคยเสียโอกาสมาเยอะไหมในอดีต โทมันสมมานั้นก็เคยเกิดมาอย่างรุนแรงก็เคยโทมานั้นก็เคยเวขาก็เป็นประจําอยู่แล้วแต่ไม่เคยอาศัยโอกาสของเวทนานั้นมาต่อด้วยนุปัสนาสติปัฏฐานเลยไม่เคยเอาสติสัพพัญญาและปัญญาไปใคร่ควรไปทําวิจัยก็เลยว่าเพื่นเธอทั้งๆังที่เวทนาเวทนาในภพนี้ก็ไม่รู้กี่ร้อยกี่ล้านกี่โกฎเวทนานะแต่ไม่เคยเป็นที่ตั้งของวิปัสนาใช่ไหมได้ดีโดยจาไม่ต้องพูดถึงใช่ไหมเจ้าโอกาสเนาะ ไม่เสียหรอกเราจะต้องอยู่กับเวทนาอีกต่อไปไหมมันจะมาอีตลอดเวลาไหมมันมารายงานตลอดเลยแต่เราไม่ยอมทำปริญญาในเวทนาซะนี่แสดงว่าข้อมูลก็ให้เรามาตลอดไหมให้ตลอดเลยไม่ยอมวิจัยเนาะกลับไปไม่นั่งวิจัยเนะ่ะเขียนไว้ติดบ้านว่าบ้านนี้จะวิจัยเวทนาทั้งบ้าน <c oughs> วิจัยเวทนาแล้วเหตุเกิดของเวทนาด้วยว่างั้นแล้วความดับของเวทนาด้วย จะวิจัยอัฏฐาธคของเวทนาอาทีนวะของเจเวทนาแล้วก็นิสสนะของเวทนาเอางั้นนะแล้วก็เอาวิจัยอะไรนิสสนะกับปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่ใจให้ออกจากเวทนาน่าชื่นใจนะถามใครเข้าใจเวทนากันหมดเลยนะถามตั้งแต่เด็กเจดขวบยันเด็กเจ็ดสิบ้าขวบไปรู้หมดเลย <c oughs> <75 S 1> เจ็ดสิบห้าก็ไม่เรียกเด็กแล้วจนถึงเจ็ดสิบห้าขวบใช่ไหมคือในบ้านนื้รู้หมดเลยถามเรื่องเวทนารู้ชัดเจน รู้ตัวเวทนารู้เหตุเกิดของเวทนารู้เหตุดับของเวทนานะรู้อาศะท่ของเวทนารู to to to ้อาทีนวะของเวทนาอาศะท่าคือสุขสมมณัตเนี่ยเวทนาที่เป็นปัจจัยแก่สุขสมมณัตอาทีนวะก็บโทษของเวทนาเวทนามีโทษทุกเวทนาไหมเอาเวทนานี้ให้อาศะท่าไหมให้สุขสมมณัตไม่เวทนาเนี่ยสมมณัสเวทนาให้สุขสมมณัตไหมทุกขเวทนาให้สุขสมมณัตไหม ให้ยังไงทุกเวทนาให้ทุกให้สุขสมนัติเราไหมให้อาส า, าท่าได้ไหยให้ยังไงทุกของคนเราที่เราไม่ชอบก็ยังให้ได้ย่าไม่ย้าเห็นไห ม, มยังให้อาสาท่าได้ถ้าเป็นทุกขเวทนาภายนอกนึกในใจแล้วไหนจะทุกขันทั้งบ้านหนึ่งนะแล้วเนี่ยแเ้วโอรู้สึกชื่นใจเลือเกินบ้านนี้ก็ทุกเขาทบาบาปเยอะเหมือนะน่้เนี่ยเขาก็พิจนารณาผิดครับ เชื่อไหมบางทีเนี่ยนะบางทีเนี่ยไการวิบัติของเราเนี่ยจะกลายเป็นโสมนัสของบุคคลบางค น, งคน เ, เห็นไหมมันเป็นอย่างเนี้ยฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นโสมนัสเวทนาทุกขเวทนาหรืออุเบกขาเวทนานุ้นจะให้อัศธาได้แล้วก็เป็นอาทีนวะหมดเลยในเวทนาทั้งสามเนี่ยมีโทษหมดเลยนะมีโทษหมดเลยมีโทษของเขาคือโสภเวทนาก็ไม่เที่ยงอ่ะ ทุกเวทนาก็ไม่เที่ยงแล้วก็อทุกขมาสุขเวทนาหรือเบีขาเวทนาก็ไม่เที่ยงนี่คือโทษของเวทนานั้นถ้าเกี่ยวข้องกับเวทนาอยู่ตราบใดเนี่ยน่ากลัวไหมน่ากลัวเวทนาน่ากลัว ม, มันมันฆ่าเวทนาเป็นขันขันหนึ่งนะในจํานวนขันนะ<ม>เขาเป็นเป็นมารไห ม, มเขาเรียกอะไรขันธามานคําว่าขันธามานแปลว่าอะไรเป็นสภาพผู้ฆ่า ใช่ไหมมันเน่ยแปลวคู่ฆ่าเลยมันฆ่าเราเนอีอตัวไปไอตัวขันเนี่ยเอามันฆ่ายัางไงอะ่ะมันเป็นสภาพผู้ฆ่าก็คือว่าถามว่าถ้าหากว่ารูปขันดับเวทนาขันอยู่ได้เมันฆ่ากันเองในตัวตัวขันตัวกันเนี่ยโว้ย ไอ้พวกนามะขันดับเกลี้ยงเลยโลกมะขันจะอยู่ได้ไหมไม่ได้เลยใช่ไหมมันฆ่ากันเองมันมันเนี่ยมันกําลังทําลายกันเองตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นสภาพผูกฆ่าไอ้เราก็ไปยึดว่าขันเป็นของเราเลยกลายเป็นฆ่าเราไปเลยโอ้สภาพขันนี่มันย่อยยากแบบนี้และมันผูกพังอย่างเนี้ยมันไม่มีความคงทนอย่างนี้ถ้าวิจัยได้ตลอดเวลาแบบเนี้เป็นยังไงจะจะทบกขโมนนัดหรือจะเกิดปิติไอ้ปีติยังไง เห็นพระธรรมของพรนะพุทธเจ้าเนอะพทะเจ้าตรัสไว้จริงไหมจริงเนี่ยเนี่ยตรงนี้ยนะมันได้ได้ได้ได้พุทธคุณตรงที่ว่ามันก็เหมือนกับนางอัมพปาลีคณิกาเถรีท่านไปสรไปารไปภาลนารูปปัถานของท่านแต่ก่อนท่านงามมากน้ำเพมพะนามอัมพปาลีเนี่ยเป็นหญิงงามเมืองเนะถ้าพูดอย่างเราเราสมัยนีย้ก็คือคือนางงามจักรวาลเนี่ยนางงามจักรวาลต้องงามมากๆ ที่อยู่ต่อมาเธอศรัทธาแล้วต่อมาก็บวชเป็นพิกรีงั้นใช้ชีวิตในทางโลกแล้วนะถวายวัดอัมปปาลีวัดพอ่ะวัดพุทธเจ้าพอถวายวัดแก่พุทธเจ้าไปเสร็จแล้วต่อมารู้สึกนางมาบวชบวชแล้วได้บรรลุพออายุนางสักแปดสิบเก้าสิบเนี้อนะอายุแก่มากเลยนางก็มาภรรนาโอ้โหภารณาศรีลาของนางเนาะโอ้โหแต่ก่อนนี่จมูกของตนเองนี่งอนอย่างกับพันช่างเลยว่าไหม เดี๋ยวนี้โหโคตอย่างกับหอละดานเลยนี่แล้วคดเลยโอ้แต่ก่อนนี่ผมของข้าพเจ้าใช่ไหมงามมากเลยเป็นลอนงามมากมารยาอย่างยังกับป่านอย่างกับปอเลยวะมัน <c oughs> บอกแหมแล้วท่านท่านท่านคิดท่านคิ ด, คดมุมไหนท่านก็คิดถึงพระเจ้านะบอกโอ้ยพระธรรมคำตัดของพระเจ้านี่เป็นสัจจะเป็นความจริงแท้ไม่แปนในใรผันไกล้ๆนีพุทธคุณก็เกิดตลอดเนะยอย่างเราคิดได้ไหมอย่างนั้น คิดโอ้โหแต่ก่อนแล้วก็คนหนึ่งเหมือนกันมาปัจจุบันนี้ดูผมพวกเราวันก่อนพระพูโพธิแล้วมาคขำนึกดีไปทีเลยคือคําแล้วมันนึกถึงอะไมาไม่ค่อยเข้าใจก็ไปถามพระไอ้ท่านอเออท่านรู้ไหมเวลาคนที่เขาแต่งงานกันเวลาแก่เท่าแล้วเขาทำไมถึงแยกห้องกันอ๋อเขาว่า เก็เขาก็บอกว่าคนแก่เนี่ยเวลาเขามีห้องธรรมบ้านเขาไม่รวยเท่าไหร่เขาเขาจะไม่นอนหันหน้าใส่กอายุมากมันแก่มากแล้วใช่ไหมถ้าไปนอนหันหน้าก็ใกล้ๆกันตื่นมาก็จะกลัวกันดีโอ้ยนึกโอจริงว่ะมันแก่นี่น่ากลัวเนาะถ้าแก่มั้งว่ายอมสมานใกล้จะถึงตอนนั้นเนี่ยยังยังไม่ถึงแต่งั้นเราลำบอกเลย เห็นไหมโลภขันมันมันมันมันเสื่อมจริงจริงเวรนาไม่ต้องพูดถึงสัญญาสังขารยิญยานแล้วยิ่งบางคนฟันไม่มีเหลือเลยเนะแล้วอะไรก็บุ๋มหมดมองหมดท่าเลยหายไปหมดนะไอ้ภาพงามๆมันหายไปหมดแล้วตื่นมาก็กลัวกันเลยตอนนี้ก็ดีนะบางคนเนี่ยโอ้โหรีบจากกันตั้งแต่ตอนหนุ่มด้วยดีบอกจะไม่ได้เห็นความ ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาที่อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสใช่ไมบอกเออดีแล้วคุณไปก่อนดีแล้วว่าไมบอกแม้ถ้าหากว่าคุณยังไปไปตอนที่ยังเห็นว่าเราว่าว่ า, ว, าว่าฉันงามอยู่แต่จะไปตอนที่ฉันอายุเก้าสิบอายุร้อยนี่ย ไ, ไอคนที่เคยพาลนารูกประขัน่นของฉันเนี่ยคณจะต้องพูดใหม่ไม่น่าจะคิดผิดแล้วใช่ไหมจที่ตรงนี้ก็คือว่าถ้าหากว่า คนที่เขาเอารูปปั้นเป็นต้นมา ล, ลึกเนี่ยเขาไม่เกิดโทมานัสเวทนาทั้งๆ ท, ท, ที่เห็นความแปลปวนของรูปปั้นขนาดหนักเลยนะทั้งผมขนเล็บปันเป็นต้นเหล่าเนี้ยความเหี่ยวย่นความหย่อนยานความแก่งหอมของสตรีละเขากลับได้ปีติได้สมมนัทเออแปลกไนะเออหลายๆคนพอมองรูปปั้นที่มันเหี่ยวย่นเนี่ยกลับไม่ได้ปีติในพุทธคุณของพุทธเจ้า อ, อ๋อเราไปเห็นคนแก่ก็เฉยๆใช่ไหม เราเคยไปนั่งมองไหมบอกว่าโอ้ยนี่ไหมปีติเกิดปามุอดเกิดปัสสิสิทธิความสุขและสมาธิตั้งมั่นในขณะที่เห็นลูกคนแก่บอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่านิมไม่แล้ฮะว่ารูก ป, ประคันเนี่ยเหยียวย่นยอ น, ยา น, ย, านยานอย่างนี้ยตรัสจริงแท้ไม่แปรผันเลยพระพุทธเจ้านั้นตัดของจริงแท้เลยนะบอกว่าเป็นสัจวาจาบอกงั้นนะเป็นสัจวาจาเนี่ยน้อมถึงพุทธคุณคุณของพระพุทธเจ้าก็ ั้แต่ก่อนเป็นอย่างนี้ปัจจุบันเป็นอย่างนี้พระเจ้าตัดไปหมดใช่ไหมรายละเอียดไปหมดเนี่ยถ้าไปพิจารณาอย่างนี้เราจะเกิดปีติในคุณของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าไปพิจารณาอีกเรื่องมันจะมันจะไปกวาลาเรื่องนะมันจะไปกวาลาเรื่องเขาเรียกว่าน้อมไม่ถึงคุณของพระพุทธเจ้าเชื่อมโยงถึงพระราชนตรัยไม่ได้โอกาสใกล้ชิดพระพุทธเจ้าก็ก็น้อยเนาะตรงนี้สําคัญมากฉะนั้นเวลาเราเข้าใจพระธรรมคำสอนก็ให้ระลึกถึงพุทธคุณ ทีนี้ประการต่อมาก็คือบอกว่าชาติสิ้นแล้วพระมรร์ายุตส่วนแล้วแสดงว่าเพราะท่านทำปริน ญ, ญาณนะเห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยแปลว่าอะไรนะอุทยพยายากเกิดขึ้นแล้วก็อาทีนวายานท่านก็เห็นโทษเนาะนิพพยายนมูลจิตตุกรรมยญตายานปฏิสังขารานสังขารูปปิการอนุโรมายา น, นรมรคยานเกิดแล้วท่านบอกดูก่อนอัคคิเวสนะอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วสดับแล้วแปลว่าศึกษามาดีแล้ว เรียนมาดีแล <t os> yeah. no er ้วทรงจำมาดีแล้วใครควรมาดีแล้วอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างไงเห็นอยู่อย่างไงอ่ะเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นอะไรเห็นอริยสัตว์นั่นน่ะเวทนาขันเป็นทุกขศาสตร์เป็นทุกใช่ไหมเหตุที่เกิดเวทนาขันเป็นสมุทัยความไม่เป็นไปของเวทนาในสังสารวัฏความไม่เป็นไปของเหตุให้เกิดเวทนาในสังสารวัฏอีกต่อไปแล้วเป็นนิโรธเป็นนิพพานแล้ว ถามทวเวทนาไม่เดินไปในภพต่อไปแล้วดับอย่างถาวรเขตุของเกิดเหตเกิดของเวทนาก็ดับอย่างถาวรแล้วเป็นนิพนนะันธ์ไหนิพันธ์ทันทีแล้วเป็นนิโรธปฏิปทาหรือสิกขาสามกาวคือข้อปฏิบัติให้ถึงนิโรธเป็นมากเลยนะเนี่ยเขาเห็นอยู่อย่างเนี้ยก็เบื่อน่ายแม้ในสุขเวทนาเบื่อน่ายแล้วอไม่ต้องการเวทนานไหนๆอีกแล้วเวทนาในอดีตไม่ไม่ต้องพูดถึง โหยหาเวทนาในอดีตไหมไม่โหยหาแล้วพอรู้แล้วเวทนาไม่เที่ยงสักเวทนาเลยอะแล้วจะโหยหาเวทนาในอนาคตไหมแล้วก็จะปฏิบัติเพื่อเบื่ อ, อหน่ายคลายกำหนัดในเวทนาแม้ในปัจจุบันด้วยเขาดับเวทนาได้จริงๆแล้วเขาดับถาวรด้วยแล้วเขาดับเย็นสงบด้วยไม่เหลือด้วยโดยการทําศีรขะสามให้เดินในการที่จะคลกวนเวทนา นั้นๆเหรเขาเห็นเวทนาสามเลยอ่ะเห็นเวทนาในอดีตเวทนาในอนาคตและเวทนาในปัจจุบันเวทนาไม่ว่าเวทนาอดีตอนาคตปัจจุบันเห็นเวทนาภายในไหมเห็นเวทนาภายในแล้วเห็นเวทนาภายนอกไหมเอาเวทนาของเราอย่างไรเวทนาของคนอื่นต่างกันไหมไม่ต่างเลยเห็นไหมเห็นเวทนาทั้งภายในและภายนอกคร่องแคล่วไหมเขาเดินคล่องแคล่วเลยตดีเนี้ยเขาไข่ควรจนคล่องแคล่วหรือเป็นวสีจนชํานาญเลย เขาเรียกว่าทําจนคร่องแคล่วเลยนะพิจารณาเห็นเวทนาทั้งเวทนาทั้งภายในและภายนอกอไอ้ตรงนั้นท่านไม่ใช่เห็นพร้อมกันนะเช่นว่าอาตมาเนี่ยมาเห็นเวทนาจนภายในตอนนั้นไม่ได้ไปเห็นภายนอกนะ oh. ถ้าไปไข้ควรเวทนาภายนอกตอนนั้นไม่ใช่เห็นเวทนาภายในน ะ, น, ะ, ะ น, นั้นภายในกับภายนอกเนี่ยคนละการกันว่างั้นนะแต่เมื่อพิจารณาจนช่ช oh. Oh. ําชองใช่ไหมโอไม่ต่างกันเลยอเห็นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่เห็นเป็นสัตว์บุคคลแล้วเห็นเป็นเวทนาตอนนั้นกํลาลังประชุมกันอยู่ แล้วก็ทําที่เกิดร่วมกับเวนะทนาธรรมะล้วนๆกาลังเป็นไปอยู่ผู้ทํากรรมมีไหมผู้เสวยกรรมก็ไม่มีเนาะมีแต่ธรรมะล้วนๆเท่า น, นั้นเป็นไปถือชัดเจนแล้วสัมมาทัศนาเกิดแล้วถ้าเห็นแบบเนี้ยเขาย้าใจ ง, ง่ายโยเนี่ยชานานมากเลยทีนี้พิจารณาจนช่าชองเลยในที่สุดจริงๆก็ลาฉันดะลาครับดับเวทนาะเขาจะเย็นเขาถึงบอกว่าย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสุ ข, ขเวทนาะย่อมเบื่อหน่ายแม่ในทุกเวทนาะย่อมเบื่อหน่ายแม่ใน อาทุกขมาสุขเวทนาเมื่อเบือนนายย่อมคลายกำหนิดเบือนนายเป็นชื่อของนิพิทายานแล้วไปไกลแล้วนะพอบอกนิพิทายานอะไรเป็นประทัดฐานของนิพิทายานฮะอาทีนวายานเนาะอะไรเป็นประทัดฐานของอาทีนวายานพังคายานนะอะไรเป็นปรทัดฐานของความคายานอุทยาพยายนไหอะไรเป็นประทัดฐานของอุทยาพยานสัมมสนญาณอะไรเป็นประทัดฐานของสัมมสนญญาณ ปัจจยาปริกหายานอะไรเป็นปัจจฐานของปัจจยปริกหายานนามรูปปริเฉทยานด้วยทิฏฐิวิสุทธิเนี่ยใช่ไหมนี่อยูืนโอ้โหไปไกลแล้วนี่เลยทิฏฐิวิสุทธิไปไกลแล้วจะบรรลุแล้วนะใช่ไหเนี่ยจะบรรลุแล้วเห็นเป็นเห็นเห็นปัจจัยของเขาหรือยังแล้วอะไรเป็นปัจจฐานของทิฏฐิวิสุทธิเวททิฏฐิวิสุทธิสมาธิไงใช่ไหมสมาฮิตโตบใช่ไหม เราว่าสมาธิไงเป็นประทัดฐานของจิตตวิสุทธิแล้วอะไรเป็นประทัดฐานของสมาธิสุขก่อนนี่หมายความนะความสุขไงใช่ไหมสุขเป็นประทัดฐานของสมาธิอะไรเป็นประทัดฐานของสุขปัตสัทธิคือความกายสงบใจสงบนี่นะแล้วอะไรเป็นประทัดฐานของปัตสัทธิปีติอไรอะไรเป็นประทัดฐานของปีติสามโอดปีติยังอ่อนไงอะไรเป็นประทัดฐานของสามโอด อะไรเป็นประทัดฐานของปราโมดอาวิปปิสานความไม่เดือดร้อนใจอะไรเป็นประทัดฐานของอวิปปิสาสสนกุศลศีลแล้ตอนนี้ยังดูที่เราอยู่ขั้นไหนเนี่ยกุศลศีลเดินไหมยังเนี่ยเดี๋ยวจะได้รู้ตัวใช่ไหมบางคนเนี่ยแหมไป็นสำคัญจะเข้าห้องวิปัสสนากันซะแล้วเข้าใจ ย, ยังโอ้โห ย, ยาวเฟ้ยเลยปัจจัยอะใช่ไมเนี่ยยังประชมปัจจัยเหล่านี้ไม่ได้เลยอะบางทียังศีลยังบกบกฟังฟองๆ อ, อยู่เลยใช่ไหม สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะยังไม่ชัดเรอใช่ไหมกายกรรมวิจิกรรมสุดจริตดีพอไหมกายกรรมวิจีกรรมบริสุทธิ์ไหมกายกรรมวจีกรรมบริสุทธิ์ไหะตอนนี้บริสุทธิ์ไหมแล้วอาชีพบริสุทธิ์ด้วยนะแต่ว่าไม่ได้สมาทานตั้งแต่เมื่อเช้านี่ดีมันเสียตรงนี้แหละเขาเรียกสมาทานวิรัติไม่เกิดนะนะกเกาซ้มปัดต่าวิรัติไม่รู้จะเกิดยังไงเลยเลยเนี่ยถึงบอกไงนั้นถ้าหากว่าเราเข้าใจเหตุผล ของพระธรรมเนี่ยนะแล้วเราจะรู้ตัวเขาเรียกรู้ตัวเองนละเหตุเกิดนะก็คือตัวตัณหาท่านทิ้งไปที่ตัณหาใช่ใชก็ปฏิปทาถึงนิโรธก็ศิกษาสามนั่นเองเพราะถ้าหากใครศึกษาเข้าใจตรงนี้นะเขาเริ่มว่ากำหนดทิศทางตนเองถูกแล้วใช่ไหมถ้าหากว่ากำหนดทิศทางไม่ถูกนะเอาแลลวไปแล้วเดียไม่รู้จะไปทางไหนเลยใช่ไหม แ่นั้นอย่าอยาแปลกใจนะบางทีเราศึกษาคำสอนแล้วเราก็อกงงเลยด้แต่นี้หายงงแล้วเนะเอาหายงงพักกันก่อนสักสินาที